ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้เนื่องจากได้พูดพระสูตรยากมาเป็นเวลานานแล้วแต่วันนี้จะแนะนําเอาพระสูตรในอังคุตรนิกายเอกานิบานคือเรื่องก็เรียกว่าเอตทัทธัคตาปาลิเป็นการบรรยายถึง ชีวประวัติของพระมาหาสาวกก็มีทั้งหมดก็เรียกว่าอาศีติมาหาสาวก ค, คือ80เอตตะคะแต่จำนวนจริงๆก็มีไม่ถึงหรอกเพราะว่าบางองค์ท่านเลิศเสีหลายอย่างก็เป็นภิกษุ41รูปเป็นภิกษุณี13เป็นอุบาสก10เป็นอุบาสิกา10แต่จะยกตัวอย่างมาฝ่ายละท่านเพื่อเห็นว่า ท่านที่เกิดมาเป็นมนุษย์พรพาานนระพุทธศาสนาแล้วก็มีศรัทธาบังเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาจะออกบวชหรือไม่บวชก็ตามนั้นมันมีองค์ประกอบอะไรอยู่หลายๆอย่างอางตามปกติแล้วเราก็ไม่ค่อยนำมาเผยแพร่ ก, กันในเรื่องเห่นี้ลักษณะของพระสูตรที่พึงเข้าใจก็คือว่าการเรียงพระสูตรในพระไตรปิฎก ทีท่านเรียกว่าเป็นทีคณิกายคือเรียงเป็น5นิกายนั้นไม่ได้เรียงตามลําดับเหตุการณ์แต่เรียงตามลักษณะของพระสูตรคือถ้าพระสูตรขนาดยาวก็เรียงไว้ชุดหนึ่งเรียกว่าทีคณิกายพระสูตรที่ไม่ยาวเกินไปแต่ไม่สั้นเกินไปก็เรียงไว้ชุดหนึ่งเรียกว่ามัชฌิมณิกายออสองกลุ่มนี้ที่จริงก็มีไม่ถึง200สูตร ทีกรณกายก็มี33สิูตรมัชฌิมนิกายก็มีร้อยห้าสิูตรเรียกกลุ่มหนึ่งเป็นการจัดเป็นกลุ่มๆไปคือนำเรื่องซึ่งต่างกรมต่างวาระแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับบุคคลกับสถานที่เดียวกันก็นำมารวมไว้กลุ่มหนึ่งเราเรียกว่าสังยุตตนิกายส่วนอังคุตตรินิกายนั้นเป็นการเรียงตามลำดับมากน้อยคือนับหนึ่งไป อะไรหก็ว่าไปเรื่อยจนหมด1แล้วขึ้น2อสองก็ว่าไปเรื่อยจนหมด2แล้วขึ้น3ก็เรียงไปอย่างนี้ซึ่งส่วนมากแล้วจะไปมากอยู่แถวแค่1112อ็ดะจะมากพอสิบสไปแล้วจะมีจํานวนองค์ธรรมน้อยเพราะนอกจากนั้นท่านจัดยังไงไม่ได้ท่านก็จัดข้าเป็นคุตตกันิกายซึ่งแปลว่าเบตเเลตแต่ว่าเป็นพระสูตรที่มากที่สุด แล้วก็มีเนื้อหาสําคัญที่สุดเป็นประสูนธ์ที่เราใช้กันมากที่สุดในบ้านในเมืองเราท่านเรียกว่าเบ็ดเล็ดแต่บังกลับมากเพราะว่าการจัดตามแนวนั้นมันก็ทําให้บีบเรื่องเรื่องทั้งหมดจึงมาอยู่ในกุตกาิการนี้มากในประสูตรนี้ไม่ได้ปรารบเหมือนที่เคยพูดมาในประสูนธ์ก่อนคือท่านจัดขึ้นมาเลยว่าเอตัคธะปาลิแล้วก็เอกวักวครคที่หนึ่ง ก็จับประวัติพระเทระมาเรียงขึ้น10รูปก็ถือเ่าเป็นวัคในแต่จะเล่าประวัติขององค์แรกคือพระมหาสาวกรูปแรกได้แก่พระัญญากนนุลธัญะการเล่านั้นท่านเล่าประรบถึงพระัญญากนนุลธัญะที่เป็นปฐมสาวกองค์แรกแต่แทนที่จะเล่าเฉพาะตอนนั้น ท่านย้อนไปถึงสิ่งที่เรียกว่าบารมีธรรมซึ่งท่านเริ่มแนวความคิดที่มองเห็นบุญกุศลได้ชัดเจนย้อนหลังขึ้นไปแสนกับสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตตระพระองค์ได้จัดสรู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าของเราแต่ยุคสมัยที่แตกต่างกัน สมัยนั้นพระัญญากลยัญญะได้เกิดเป็นเครือขบดีที่มีทรัพย์มากแล้วก็ไปเฝ้าฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแต่แทนที่จะสนใจในธรรมท่านเกิดไปสนใจในประเทระรูปหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องไว้ในฐานะเป็นรัตนอยู่คือเป็นผู้เท่ากว่าภุทธสูทั้งหลายท่านก็เกิดประทับใจอยากได้ อยากได้ตําแหน่งนี้ก็ น, นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์บําเพ็ญกุศลเป็นนันมากถวายทานแล้วก็ถวายผ้าไราจีวรเป็นต้นในที่สุก็ตั้งความปรารถนาว่าขอให้ชาติหนึ่งพบได้ก็ตามละอีกนานเท่าไหร่ก็ตามก็ขอให้ข้าพระองค์ได้ตําแหน่งนี้บ้างตําแหน่งที่ที่เหมือนกับพระเถระรูปนี้ได้ พระพุทธเจ้าก็ส่งสวจดูเรียกว่าอนาคตังสยานคือดูในการอนาคตนว่าจะจะได้หรือเปล่านี่นก็ต้องดูไปก่อนก็เสร็จแล้วก็รับสั่งว่าเธอจะได้เมื่อผ่านไปแสนกับนานนักเกินจะได้ตำแหน่งนี้ในสำานักของพระพุทธเจ้าทรงพระนามขวดธรรท่านก็เกิดปีจิใหญ่เลยทาบุญสืบต่อกันมาจนถึงพระเจ้าพระประทุมุตระนิพาน ท่านก็เป็นเจ้ากิจการในการสร้างเจดีย์บรรจุพระธาตุแล้วก็เวลาผ่านมาผ่านมาเป็นเวลานานนะท่านก็ไม่เล่าทุกชาติหรอกแต่ทุกชาติก็เยอะก็เล่าอีกชาติหนึ่งว่าในสมัยของพระพุทธเจ้าที่ทรงพระนามวชีปังกอท่านได้เกิดเป็นในสกูลของฤาษีบดีเหมือนกัน แล้วก็คือพระราชานั้นท่านพระพุทธเจ้าเป็นโอรสของกษัตริย์และลูกชายองค์เล็กก็เป็นอักษรวกลูกของอมร์ก็เป็นอักษาวอกคนที่สองพระราชาท่านผูกขาดบํารุงพระพุทธเจ้าซะเองจนราษฎรเกิดประท้วงบอกเล่นอย่างนี้เอาเปรียบราษฎรเนี่ยราษฎรไม่มีโอกาสจะได้บํารุงพระพุทธเจ้าเลยท่านเอาไปบํารุงเจ้องค์เดียวพระราชาก็ยอม อยอมท่านก็ไม่รู้ข่าวแต่ท่านท่านก็ทํานานะฮะเป็นเรื่องบัณีทํานานข้าวตอนนั้นกําลังตั้งท้องกําลังกําลังเป็นน้ํานมอ่ะตัวไม่รู้จะทํำยังไงให้มันวิเศษท่านก็อยู่กับน้องชายสองคนบอกว่านี่ทํำยังไงราษฎรได้มีโอกาสเลี้ยงพระพุทธเจ้าแล้วพี่จะเอาอข้าวเนี่ยมาคั้นให้ทําเป็นข้าวเยาครัว น้องชายบอกไม่เอาทำอย่างนี้เสียหายหมดเลยนะก็แกก็ตกลงว่าขอแบ่งกันก็แล้วกันแบ่งกันผ่าครึ่งกันเลยส่วนของพี่พี่ทำบุญหมดส่วนของน้องก็เอาไปตกลงน้องชายก็ยอมก็แบ่งกันท่านก็ทำบุญแล้วก็บารุงพระพุทธเจ้ามาจนหมดสมัยนะฮะตายไปแล้วก็บบังเกิดในสุกติก็เวียนไหในสังสารวัฏ สลับซับซ้อนมาจนถึงสมัยพระพุทธเจ้าเราก็เกิดในสกุลพราหมณ์ในหมู่บ้านชื่อโทนวัตถุชื่อบกนทัญญาเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมมากคือจบตรยเพศและเวททางกษัตริย์ตั้งแต่ยังหนุ่มตอนเจ้าชายสิทธัตถะประสูตรนั้นพระเจ้าสุทโธนาได้เชิญพราหมณ์ร้อยแปดคนมาที่นิเวศ แล้วก็เลือกพราหมชั้นยอดจริงๆ8คนให้เป็นคนทำนายลักษณะของพระราชกุมารอันนี้ก็เรื่องที่เราพอจะรู้กันคนอื่นอีก7คนนั้นทำนายว่าพระราชกุมาร น, นั้นจะมีคติเป็นสองตาครองคาว่าจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิตาออกบวชจะได้เป็นศาสดาในโลกแต่คนทันยาเป็นคนมีบา ร, รมีสูงคือนอกจากว่าอาศัยตาราไรเพศแล้วอาศัยบา ร, รมีท่านด้วยท่านก็มองเห็นชัด ยกนิ้วเดียวบอกว่าเจ้าชายต้องเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนก็ทําให้พระเจ้าสุโธทนะเองก็หวันไหวมากก็ลกลัวลูกชายจะออกเป็นพระพุทธเจ้าก็เริ่มการทํานุบํารุงกันเป็นอย่างดีแต่ในที่สุดก็ออกบวชอย่างที่รู้กันผู้พราหมณ์ทั้งแปดนั้นก็ที่จริงก็หนักไปในทางว่าพระพุทธเจ้าจะเจ้าชายจิตตถาจะเสด็จออกพนวด แต่ก็มองดูอายุตัวเองกับเด็กยังนอนจนในเบาะเนี่ยมันไม่ไหวอะ่ะก็เลยก็สั่งลูกเอาไว้บอกว่าพ่อเองคงจะมีอายุอยู่ไม่ทันแลอกแต่ถ้ารู้ข่าวว่าเจ้าชายธิตถะออกขนวดเดี๋ยวให้ลูกบวชตามสั่งลูกไว้ทั้งเจ็ดคนพอพระพุทธพ อ, ร พ, ธ อ, อพระโพธิสัตว์เสด็จออกขนวดคุลธัญญาตอนนั้นก็อายุแยะแล้วนะฮะอายุก็คงไม่น้อยกว่าห้าสิบก็ไปชวนลูกพราหมณ์ทั้งเจ็ดคน ปรากฏว่าในพราหมณ์ทั้งเจ็ดนั้นลูกของพราหมณ์ทั้งเจ็ดอีกสาคนไม่เอาด้วยพ่อสังก็พ่อแหละอยู่ทางบ้านดีกว่าก็เลยก็ออกบวชเพียงสี่คนเท่านั้นเองก็รวมกับโกลธัญญาด้วยก็เป็นห้าคนที่เราเรียวกว่าปัญจวคัคคีเมื่อออกบวชก็ตามเสด็จพระพุทธ เ, ทเจ้าแต่ก็มีความฝังใจ มีความฝังใจว่าการจะสระรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องบำเพ็ญทุกขกรยาคือทรมานตนให้ลำบากสาหัสที่สุดถึงจะกิเลสมันจะหลุดทําไม่ไ ม, ไม่ไม่สาหัสที่สุดกิเลสมันก็ไม่หลุดเพราะฉะนั้นเวลาพระโพธิสัตว์ทรมานร่างกายโดวยวิธีต่างๆเนี่ยท่านก็ชื่นชมชื่นชมที่ดูเหมือนจะเคยเล่าให้ฟังว่าตอนหนึ่งที่ต้องเลิกอดอาหารเนี่ยคือสลบล้มไปเลย ข้าแบบมก็้าแมแล้วเนี่ยมาถ่ายเต้นข้าแมพข้าแมถ้าองค์นี้ก็นั่งดูจนจะบรรลุแล้วจวนจะบรรลุแล้วกัวันดีมีเด็กเลียงแกะมาเห็นข้าวแลแกก็เอาน้ํานมไปหยอดที่พระโอษพระพุทธที่สัตว์แล้วฟื้นขึ้นมาที่องค์นี้นั่งนึกว่าจะได้บรรลุแล้วนะเพราะปักใจมากเลยกันปักใจทางนี้เท่านั้นเนะี่ยก็ตกลงเมื่อพระพุทธเจ้าหัน พระโพธิสัตว์นะฮม่ยังยังไม่เป็นพระพุทธเจา้าเมื่อพระโพธิสัตว์หันมาเสบยพระกยาหารเช่นนั้นท่านก็ผิดหวังแรงมากก็คิดว่าไอ้ตำนาโขนอะไรตัวใดมันก็กรอนกรอนแกรนแกรนไปนะฮะไม่ก็เชื่อเสียละก็คิดว่าไม่จัดสรูปก็ชวนกันหนีจากอิสิปตัยจากเสนานิคมไปอยู่ที่สิปตนามฤุกฐาจวันท่านที่เคยไปอินเดียก็คงจะเห็นว่ามันไกลกันไม่ใช่เล่นนะฮะสมัยนั้นเดินนะไม่น้ น, นั่งรถไฟ ประมาณสองรกว่ากิโลจะเรียกว่าตัดเป็นตัดตายกันไปเมื่อพระเจ้าจัสรูแล้วก็พิจารณาถึงคนที่จะสอนตอนที่หลังจาตัดสินพระทัยว่าจะแสดงธรรมแล้วในชั้นแรกก็คิดถึงอาราดาบทุธทกดาบทซึ่งเป็นอาจารย์แต่ก็ท่านทั้งสองก็ด่วดมนมรณภาพไปก่อนหมดทั้งคู่ก็นึกถึงท่านปันจจวคขีก็เสด็จไปโปรด ด้วยรธรรมเทศนาที่เคยว่ามาแล้วนะฮะธรรมจักรกับวัตตนสูตรตอนสุดท้ายแห่งรธรรมเทศนาเขาเรียกว่าธรรมจักรสุคือดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมที่จริงก็คือเห็นอริยสัจสี่นะฮะแต่เป็นการเห็นในระดับหนึ่งที่ปล่อยวางความยึดถือได้เห็น ง, ง่ายๆนะฮะคล้ายๆกับไม่น่ายากแต่มันยากสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับเป็นธรรมดา ก็เห็นท่านนี่ยแต่เห็นในที่นี้หมายความมันละได้ละความยึดจิตต่างๆได้เราก็เห็นกันพอสันฐานประมาณนะแต่ก็ละกันไม่เคยได้มันมีปัญหายตรงนี้เองอ่ะที่จริงตัวอย่าเนี่ยมันได้ขึ้นมากมายหลายนะขึ้นท่าเนี่ยยังกินจิตสมุทรายะธรรมังสบัญตังนิโรธธรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับเป็นธรรมดาก็มองในแง่ของเหตุปัจจัย มันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยแล้วในที่สุดเมื่อเหตุปัจจัยดับมันก็ดับก็ไม่มีอะไรที่จะยึดจะถือไอตัวเราเองมันก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยไม่มีอะไรจะคว้าจะจับจะยึดจะถือแต่ประการใดก็ปล่อยวางตัวอย่างที่ว่ามื่ะกี้เนี่ยว่าปัญหาสําคัญว่าเอาของเอาเรากับของเราเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วยุ่งทุกข์เฉียดทำให้เอาเราเข้าไปเกี่ยวมันไม่มีอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาของมันแต่นั้นเอง ก็ถือว่าเป็นผลสําเร็จจากการสัตรูขพระพุทธเจ้าก็เปล่งพระอุทธธานซึ่งก็มีลักษณะเด่นอยู่องค์เดียวท่านี้แหละอัญญาสิวัตโพกนดัญโยอัญญาสิวัตโพกนทันโยกนทัญญะรู้แล้วหนอคนทัญญะรู้แล้วหนอท่านผู้เจริญคนัญญารู้แล้วเพราะว่าก่อนที่จะแสดงธรรมนั้นพระพุทธเจ้าทรงระดิษตกถึงธรรมะอยู่เหมือนกันว่ามันยากเกินไปที่จะให้สัตว์ปฏิบัติได้เนี่ย แต่พอใช้ประยานตรวจดูก็แบ่งคนเป็นสีเหล่าอย่างที่เรารู้กันเนี่ยเป็นดอกโบสถ์ีเหลามันก็มีคนอีกจังอีกอีกพวกหนึ่งนะอย่างน้อยก็อีกสามพวกที่สามารถตัดสรูปตามทำที่พระองค์ตัดสรู้ได้พอพระโกนทัญยะตัดสรู้ตามได้โดยการเทศนาครั้งเดียวก็เกิดทำมาปีติขึ้นมาก็เปล่งแต่เปล่งคราวเดียวนะฮะต่อไปเทศก็ไม่เคยเปล่งอีกแล้วก็ได้พยานะนะท่านทัญญะ ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเราเรียกว่าดวงตายิธรรมหรือธรรมจักษุเนี่ยจะทาให้ผู้บรรลุเป็นพระโสดาบันคือละกิเลสได้ขาดสามอย่างต่อจากนั้นเมื่อฟังพระธรรมเทศนาอนัตตลกนัสูตรอันนี้เคยว่ามาแล้วนะฮะท่านก็บรรลุเป็นพระอระหันต์เนื่องจากตอนที่บรรลุโสดาปฏิผลแล้วท่านก็ขอบวชในวันเพนอาสารหะ มันเป็นเด่น8ท่านก็เลยก็เป็นพระสงฆ์องค์แรกของโลกแล้วก็เป็นการเกิดขึ้นของพระรัตนตรัยครั้งแรกในโลกสังฆรัตนะครั้งแรกในโลกก็คือท่านทั้งหมดอ่ะพระสงฆ์องค์แรกก็คือท่านสังฆรัตนะองค์แรกก็คือท่านพยานการสัจสรูองค์แรกของพระพุทธเจ้าก็คือท่านเมื่อท่านบรรลุอรหัตแล้วก็คงจะแก่มากนะฮะคือคือตะบาลีนี่ไม่ได้บอก <c oughs> อายุท่านไว้ว่าเท่าไหร่ ท่านกราบทูลพระพุทธเจ้าเขาลาไปที่บ้านโทนวัตถุซึ่งอยู่ที่เมืองกบินละพัฒเมืองเดียร์พระพุทธเจ้าเหมือนกันก็ไปเอาหลานชายลูกน้องสาวชื่อปุณณะมันตานีเข้ามาบวชตอนพระพุทธเจ้าส่งไปประกาศศาสนาเนี่ยท่านก็มีอายุมากแล้วท่านก็ไปเอาหลานชายมาบวชองค์นี้ดังมากเลยทีดังเนี่ยเป็นระดับระมหาสาวกผู้ใหญ่ แล้วก็ท่านเองก็เข้าไปกราบทูลลาพระพุทธเจ้าบอกว่าไอ้เสนาธนะในบ้านห<ม>รือลูกีในชาวบ้านเนี่ยไม่สบายสมัครฆาพระองค์ข อ, อลาไปอยู่ในป่าแล้วท่านไปอยู่ในที่อยู่ใกล้ๆของช้าง <c oughs> ชื่อว่าช้างฉัตรทัน <c oughs> อยูสิบสองปีคนนี้ผ่านแสดงว่าอายุท่านก็เยอะแต่บาลีไม่ได้บอกไว้นะ เ <c oughs> พราะว่าตอนพระพุทธเจ้าประสูติท่านเป็นพรามใหญ่แล้วนี่ก็เป็นเป็นเรื่องที่ท่านจะมองเห็นอะไรได้หลายอย่างว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเรื่องของบารมีธรรมที่มันจะสร้างแนวโน้มผลักดันความคิดจิตใจของบุคคลให้เกิด น, นิยมยินดีในเรื่องที่เป็นกุศลและธรรมซึ่งท่านทั้งหลายเองก็น่าจะภูมิใจนะฮะวันเสาร์นี่คนก็ ไปวิกไปอะไรกันลเลยข้าวมาวัดมานั่งกรรมาฐานได้เนี่ยก็ไม่เบางี้นะในด้านบารมีเนี่ยก็ไม่เบาเพราะเป็นแรงกระตุ้นที่มันเกิดขึ้นภายในจิตสำนึกของเราเองนท่านโกนธัญญะตอนนั้นจะชื่ อ, อยังไงเขาไม่ได้บอกนะท่านเกิดประทับใจในฐานะที่เรียกว่ารัตตัญูบุคคลของพระเทระอรหันซึ่งพระพุทธเจ้า องค์กรพระเจ้าปฐุมมุทะเนี่ยยกจ้องท่านก็เกิดยินดีในความเป็นเหล่านั้นแล้วก็ทําบุญอธิษฐานเพราะงั้นในปัจจุบันนั้นท่านทั้งหลายจะสังเกตว่ามีคนเป็นจํานวนมากฮะพูดกันทั้งชาวบ้านชาววัดว่าทําแล้วไม่ต้องอธิษฐานอ า, าว่าจะชักจะเก่งกว่าพระอรหันต์แยะยคนเจเน่แต่พระอรหันต์ทั้งหลายนั้นท่านอธิษฐานทั้งนั้นนะครับท่านอธิษฐานทุกองค์เลยไปดูเถอดประวัติ อธิษฐานเพราะทําให้เกิดมั่นคงว่าต้องเอาให้ได้ต้องไปให้ได้มันเกิดความมั่นคงขึ้นภายในใจเป็นสัจจาอธิษฐานะไม่จะตั้งความปรารถนาเฉยๆลอยๆเมื่อตั้งความปรารถนาแล้วก็ดูไอ้เหตุปัจจัยที่จะให้สําเร็จผลที่เราปรารถนาเนี่คืออะไรแล้วก็สร้างเหตุเหล่านั้นไปเรื่อยตลอดสายเลยพระพุทธเจ้าเองก็อธิษฐานะ น, านะฮอธิษฐานในสํานักของพระเจ้าทรงพระนามมชีปังกรอธิษฐานเหมือนกัน ก็ยังไม่เคยพบพระอาหารหันต์รูปไหนที่ไม่อธิฐานเลยแต่เดี๋ยวนี้มีการเผยแพร่กันแยะนะฮะว่าทําบุญไม่ต้องอธิฐานอนะ่ะที่จริงเขาอธิษฐานเพราะเกิดความมุ่งมั่นที่จะดําเนินไปสู่เป้าหมายซึ่งเราอธิษฐานได้แต่ไม่ใช่อธิฐานขอหวยนะคือไม่ใช่ขอหวยคืออธิษฐานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เราต้องการนะบรรลุเป้าหมายที่เราต้องการอีกประการหนึ่งก็คือเรื่อง ของพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนายอมรับความมีอยู่ของพระพุทธเจ้าที่เราสวดกันนะฮะเยจะอตีตาสัมบุท ธ, ธาเยจะบุต ธ, ธานาคตาโยเจตฤสัมบุตโธบุญนังโซกนาสนพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตก็ดีในอนาคตก็ดีพระพุทธเจ้าที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันก็ดีเป็นผู้อนุเคราะห์แก่ชาวโลกแล้วท่านก็สรรเสริญพระพุทธคุณไปเรื่อย แต่ว่าการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านั้นมีข้อแม้อยู่อย่างเดียวแต่นั้นเดง ว, ว่าในขณะที่พระพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นมานั้นโลกจะไม่รู้เรื่องอริยสัจสี่แล้วในแง่ของพระพุทธศาสนาที่ทรงแสดงไว้โลกมันมันเป็นวิวัฒนาการะมันจะเริญมันมันเหมือ น, ม, นมันเหมือนกสุนสาานะเรเริ่มต่ำมาแล้วก็สูงถึงจุดสุดสูงสุดเนี่ยโลกจะเริ่มตกตามลงไป ความคิดความอ่านนิสัยใจคอพฤติกรรมต่างๆก็ตกต่ำลงไปด้วยแล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะตกต่ำหายไปแล้วก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาใหม่อีกมันก็กลายเป็นวัตจักรผ่านพบผ่านชาติมาเป็นอันมากซึ่งท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ใหญ่จะเห็นได้ความรู้สึกนึกคิดของคนเราในปัจจุบันเนี่ยมลักษณะเรียกราดรุนแรงกว่าเมื่อ20สกว่าปีมาเยอะแล้วพระเนรที่บวชมาในวัดมันก็สังเกตได้เลยมีลักษณะอย่างนั้นนะมีความแรงแรงอะไรอยู่เยอะเลย มีความดื้อความรั้นความไม่ค่อยใสย่ใจก็ก็เห็นกันฮะแต่เราก็ยอมรับมันยุคสมัยไม่จะทํำออยัำยงไงมันก็เอากันไปอย่างนี้แหละถูกรูด ถ, ถูกกางกันไปเรื่อยๆแต่ว่ามีแสดงให้เห็นถึงว่าในความเปลี่ยนแปลงที่ทรงแสดงไว้เราดูได้ในช่วงเป็นทศวรรษเท่านั้นเองนะฮะก็ไม่ต้องมากอะไรเอาเลยสิบปีไม่ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในด้านจิตใจพระพุทธเจ้าท่านก็เกิด ขึ้นองค์หนึ่งแล้วก็ถึงยุคหนึ่งมันก็หมุนกันมาอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วเป็นอันมากที่เราสวดกันมากก็เ ร, เริ่มที่พระตันหังกโรมหาวิโรเรื่องที่พระตันหังกรที่เราเออกมาสวดกัน่สันเสริญพระพุทธเจ้าในอดีตเออแต่พระพุทธเจ้าในอดีตอนาคตปัจจุบันคือพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะคือพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงสัจจรู ธ, ธรรมะแล้วก็สั่งสอนธรรมะที่เป็นสัจ ธ, ธ, ธรรมแต่ก็ไม่มีอำนาจในการโดนบันดาลอะไร ไม่ใช่ว่าจับคนไปจุ่มให้เป็นคนดีหรือว่านิรมิตให้เป็นคนดีอะไรต่างงนั้นเป็นผู้ประกาศธรรมะแสดงธรรมะที่พระองค์จัสรุมมาะระการต่อไปก็คือเรื่องของบุญกุศลที่เราเรียกว่าบารมีธรรมซึ่งเป็นการกระทําด้วยศรัทธาที่สังเกตได้ชัดมากที่สุดนั้นคือในเปตวในวิมานวัตถุ นวิมานวัตถุนี้ท่านท่านแสดงไว้ชัเดเลยพื้นจิตเนี่ยว่าเทพธิดาองค์นั้นเทพบุตรองค์นั้นเริ่มด้วยบุญกุศลอะไรเนี่ยคือพอเห็นพอได้ยินพอรู้เรื่องที่เป็นกุศลแล้วเกิดศรัทธาเรื่องใส่คือศรัทธาจะต้องเกิดขึ้นถ้าศรัทธาไม่เกิดหรือทําไปตามการชี้นําของบุคคลอื่นในความผ่องใสภายานในใจเนี่ยมันก็ไม่มากพอบางทีเราก็คุมอย่างการให้ทานเราก็คุมเจตนา3าการจะไม่ค่อยได้บางท ศรัทธาต้องเกิดขึ้นทุกทีเลยแล้วทุกคนที่ท่านพูดถึงท่านโกนธัญญะในสมัยก่อนก็มีลักษณะอย่างนั้นท่านก็เกิดศรัทธาแต่เป็นเป็นการกระทําที่สืบเนื่องนะฮะสืบเนื่องพอพระพุทธเจ้าปฐมมุตระได้พยากรณ์ท่านก็เกิดความมั่นใจแล้วก็ทําต่อมาจนถึงพระพุทธเจ้านิพพานนิพพานแล้วก็ยังเป็นเจ้ากิจาการในการสร้างเจดีย์บรรจุพระาธาตุของพระพุทธเจ้าอีก แล้วก็ด้วยบารมีธรรมเหล่านี้ที่ฝังอยู่ภายในใจของท่านพอท่านมาเกิดก็เกิดไม่รู้กี่ชาตินะะแต่ว่าชาติที่ท่านเล่าเนี่ยชาติที่ท่านเล่าไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ปฏิบังกร น, นะครับพระวิปัสสีพระวิปัสสีที่เราสวดวิปัสสิทธนัมมัตถุที่ที่ส่วนมากเวลาเราสวดจริงๆเราก็สวดแค่พระวิปัสสีเอ่อท่านเวลาได้ยินข่าวการให้ทาน เราดูฐานที่แตกต่างกันระหว่างคนมีบา ร, รมีกับไม่มีบา ร, รมีเหตุความคิดความอ่านของคนที่ที่ไม่เหมือนกันในด้านบา ร, รมีพี่กับน้องแท้ๆนะฮะพี่กับน้องแท้ๆแต่ได้ฟังข่าวอย่างเดียวกันได้าวามเรื่องราวอย่างเดียวกันซึ่งเป็นโอกาสทองเพราะพระราชาท่านไม่ยอมให้ใครบำรุงพระเลยน้องชายกลับไม่ยอมให้น้องชายกลับไม่ยอมให้ใหแต่พี่ชาย พร้อมที่จะสละทั้งหมดโดยเือเป็นโอกาสทองแล้วเป็นสมบัติจริงๆของเราแล้วอีตอนเนี่ยแพอดี๋ข้าวยังไม่ทันสุกก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เอาเฉพาะตรงนี้เพราะโอกาสอื่นท่านอาจจะไม่ได้ทํานี่เป็นลักษณะของคนที่มีบารมีเวลากุศลนจตนาโอกาสที่จะทําบุญอะไรบางเกิดขึ้นเนี่ยท่านก็รีบทำทันทีคนนี้พระพุทธเจ้าเองก็ทรงแสดงไว้เมื่อกุศลนจตนาบางเกิดขึ้นที่จะทําบุญกุศล น, นั้นบุคคลต้องรีบทำทันที อย่ปล่อยให้การมันผ่านพ้นไปเพราะถ้าผ่านพ้นไปแล้วก็อย่างที่เคยเล่านะฮะคือมัดเสรจิตความตืนหนีความขวงมันจะเกิดขึ้นท่วมทับใจะทําไม่ได้บางทีล้วงกระเป๋าไปล้วงกระเป๋ามาก็ขอปัดข่าวหน้า ก, กันอันนี้ยังไม่พร้อมคือคือคื อ, คอมันทําไม่ได้ะฮะมันทําไม่ได้กิเลสเนี่แกจะดึงเราอยู่ตลอดระยะเวลาเลยนั่งกรรมฐ า, านแกก็ดึงให้ทานก็ดึงรักษาศีลก็ดึง นะถ้าแกมาแรงเราก็แพ้แกทุกทีนะถ้าแกมาไม่แรงเราก็ทำขอเราไปได้เพราะงั้นจุดนี้คือจุดของบารมีที่เรามองไม่เห็นเป็นบารมีสามารถที่จะสละที่นาไอ้ข้าวทั้งหมดขางตนเขาเรียกแปะกรนะินะแปะกระิก็คงจะเป็นเป็นไร้เป็นแ ป, ป, ปลงนะเป็นมาตรานับวัดในสมัยนั้นเขาเรียกกริก็ ได้ทำบุญให้ทานบูชาบำรุงพระพุทธเจ้าพระวิปสัสสีพุทธเจ้าแล้วก็ทำสืบต่อกันมาเรื่อยๆเป็นความเสียสละที่สูงมากนะฮะเรามองดูจริงๆแล้วก็ก็ไม่ใช่ธรรมดาเลยถ้าคนไม่มีบา ร, รมีจริงๆเขาไม่กล้าทำเรื่องอะไรข้าวยังไม่ทันสุกจะเอาไปทำบุญหมดเลยแต่ท่านเชื่อว่า น, นี้คือสมบัติของท่านแล้วก็ท่านมองในแง่ของคนที่มีบา ร, รมี ปัญหาเหล่านี้ที่ทําให้เกิดความแตกต่างในด้านความรู้สึกนึกคิดและจิตใจของคนทั้งหลายจนบางครั้งบางคราวเราเอามาวิพากษ์วิจารณ์พระเวศสันดรท้งคราวหนึ่งท่านคงจะเคยนึกออกนะฮะวิพากษ์วิจารณ์พระเวศสันดรหาว่าเอาเงินประครั้งข้างที่มาใช้จ่ายเป็นการส่วนตัวอะไรต้นใดว่ากันไปคือเราวัดด้วยความสํานึกเราแต่เราไม่คิดว่านั่นคือพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์คิดแบบเราไม่ได้พระโพธิสัตว์ต้องคิดแบบพระโพธิสัตว์ เราไม่ต้องดูตัวอย่างอื่นไกลนะครเมื่อวานเนี่ยมาไปบรรยายที่ศูนย์วิจัยแล้วก็ยกตัวอย่างมหาตมะมคันธีให้เขาฟังว่าว่ามหาตมะคันธีนั้นท่านจะทำอะไรเนี่ยท่านไม่ได้คิดว่าคันธีจะได้อะไรแต่ท่านคิดว่าอินเดียจะได้อะไรทุกครั้งที่ท่านทำท่านคิดว่าอินเดียจะได้อะไรท่านข้ามหัวตัวเองพ้นหมดเลยคันธีนี่นุ่งผ้าโทตีพื้นเดียวอยู่ได้แล้วแต่อินเดียนั้นคือประเทศ ที่ท่านจะต้องทำด้วยความเสียสะละเพื่ออินเดียคิดว่าอินเดียจะได้อะไรมีไหมคนเหล่านี้มันมีแต่หายากหายากพวกสมัครผู้ตรงผู้แทนไปก็เหมือนกันแหละจ้องเนี่ยเราจะได้อะไรวันก่อนนี่นก็ลูกศิษย์ก็บวชด้ที่วัดเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้รู้ศิ ก, ก็จะได้ไม่อย่างคนเนี้ยแขาบอกขอเป็นรัฐมนตรีสามวันก็เอานะขอให้ได้กับสามันก็เอานะี่ ขอได้เส็นอะไรสักสองสามที่แต่นั้นเองกันไะด้คือว่าเข้ามาเนี่ยเราจะได้อะไรแต่ท่านเหล่านั้นท่านคิดว่าชาติจะได้อะไรศาสนาจะได้อะไรถ้าไม่ได้คิดถึงตัวท่านเลยนะพระพุทธเจ้าระดับพระวัธิศาสตร์ท่านคิดว่าโลกจะได้อะไรท่านคิดของท่านอย่างเงี้นเพราะงั้นในการมองปัญหาต่างๆนี้จึงเป็นการมองกันคนละมุมในพื้นฐานทางบา ร, รมีเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะ เราจะไปวัดความสำนึกของเรากับคนอื่นไปหมดนะไม่ได้อื <c oughs> โดยเฉพาะยิ่งท่านที่มีบารมีมากมากแล้วยังพระโกลทัญยะเนี่ยก็เรามองดูนะท่านก็ไม่บอกว่าชื่อโกลทัญญะหรอก ค, อ ค, อคือว่าเล่าชื่อชื่อเอาชื่อเดียวก็แล้วกันอนะ่ะชื่อสมัยก่อนชื่ อ, อยังไงเขาไม่บอกไว้คือเรามองดูท่านคิดของท่านท่านคิดของท่านระหว่างน้องชายกับพี่ชายคิดทางกันคนละมุมเลย แต่ว่าในเรื่องหนึ่งเนี่ยฮะน้องชายของท่านจุดนี้ฮะจุดนี้ลืมไปท่านเอามาสองจุดฮะจากการที่ท่านเอาข้าวซึ่งยังไม่สุกยังยังยังยงเป็นน้ํานมอยู่เนี่ยเอามาคั้นขึ้นมาแล้วถามอาหารถวายเนี่ยท่านตั้งความปรารถนาอีกทีหนึ่งว่าขอให้ท่านได้เป็นปัตถ ม, มาสาวพวกเพราะไอ้ข้าวอย่างนี้ใครไม่ถวาย เนท่านถวายข้าวอย่างเงี้ยคนแรกก็ขอให้ท่านได้เป็นหนึ่งในสาวกของพระพุทธเจ้าอย่าลืมมาตั้งความปรารถนาในสำนักของพระมุตระปทุมุตระนั้นให้ได้รับตําแหน่งรัตัญยูนะฮะรัตัญยูพอมาถึงพระวิปสัสสีขอตําแหน่งสาวกองค์แรกสาวกองค์แรกของพระพุทธเจ้า <c oughs> เพราะอะไร <c oughs> เพราะเอาข้าวองค์ไอรข้าวเพราะข้าวที่ ถวายครั้งแรกคื อ, อยังเป็นน้ำนมมาถวายพระเจ้าก็ทรงพยากรณ์เพราะฉะนั้นจากจุดตั้งความปรารถนาใหญ่สองคราวนี้เองทำให้ท่านได้ตำแหน่งนี้สองตำแหน่งในสมัยของพระพุทธเจ้าทีนี้ต่อมาเมื่อมาเกิดในหมู่บ้านโทนวัตถุมันก็เข้าสูตรที่เคยพูดนะกิจโฉมนุสสะปฏิลาโพ การได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์เป็นของยากกิจสังมัญจาในชีวิตต่างการดํารงชีวิตอยู่ตลอดไปในเป็นของยากตัวอย่างที่เคยบอกห้าสิบห้าบเนี่ยตอนนี้ต้องคิดมากเรื่องห้าสแล้วก็การฟังพระสัทธรรมเป็นของยากการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าโลกได้ได้ได้โดยยากท่านได้พร้อมเลยถ้าได้พร้อมเลยท่านเกิดมาในยุคของพระพุทธเจ้าที่มีพระพุทธเจ้ามาเกิดถึงแม้จะเกิดก่อนก็ตามแนตะ่แต่แต่างก็ทนนะันอ่ะ แล้วก็มีโอกาสฟังธ ร, รมดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่จริงตายแต่ก่อนเพื่อนอีกตั้งเจ็คนรีบตายไปก่อนท่านอยู่กับท่านได้นี่เพราะอะไรเพราะบารมีถรมของท่านที่ท่านสร้างสมท่านอบรมกันมาตลอดทีนี้มันก็มีในด้านที่ปิดพลาดอยู่ได้เหมือนกันเพราะว่าไอปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆนะฮะปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เราเกิดขึ้นมา บางทีมันก็ปกปิดบารมีเราไว้ปกปิดบารมีเราไว้ไม่ให้เราสามารถที่จะสัมเดงไม่ไม่สามารถที่จะสัมดงได้เต็มที่ออกไปเพราะอะไรเงื่อนเงื่อนไขต่างๆที่เราเติบโตมาในสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นแล้วเราก็แสดงอะไรออกมาไม่ได้งั้นท่านโกนัญญาเองก็มีลักษณะอย่างนั้นเมื่อท่าน เกิดมาในสิ่งแวดล้อมที่เขามีความเชื่อถือกันว่าการบาเพ็ญทุกขกรกริยาคือทรมานตนให้ลำบากเนี่ยเป็นทางที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติบรรลุโมกขธรรมได้คือทางหลุดพ้นได้ท่านก็มีแนวเดียวแนวดิ่งไอ้ด้านบา ร, รมียังไม่มีอะไรมาเสริมให้ท่านแรงพ่วงด้านโน้นมันก็มากกวา่าเพราะฉะนั้นจึงปักใจไปในแนวเดียว พระพุทธเจ้าเองว่าจริงพระโพธิสัต์เราเองก็ท่านก็เกิดไปในสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นครับพอเอาควจริงท่านก็ไปในแนวนั้นอยู่พักหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าอาศัยที่บา ร, รมีมันห่างกันพระพุทธเจ้าท่านสร้างบา ร, รมีม า, มามากกว่าท่านวิเคราะห์ตัดสินด้วยพระองค์เองได้แต่ท่านโกนธัญญะนั้นท่านสร้างบา ร, รมีมาน้อยกว่านะฮะบา ร, รมีแสนกลับนะฮะท่านให้สังเกตว่าพระพุทธเจ้าสร้างบา ร, รมีสี่อสงไขยกับแสนกลับแต่ระดับสาวกนี้สร้างแสนกลับเท่านั้นเอง ไม่ได้สร้างมากทีนี้พอมาดูอีกองค์หนึ่งภาษาดิบุตรกับพระโมคคัลลานแสนกับสอสงไขยกับระดับมหาสาวกระดับอักสาวกสร้างมากกว่าอีกเพราะงั้นเงื่อนไขเหล่านี้เป็นเรื่องของเหตุผลทั้งหมดเลยเป็นเรื่องของเหตุผลทั้งหมดว่าหมายความว่าเราสร้างเหตุมาอย่างเนี้ผลเราก็ออกมาขนาดนี้คนที่สร้างเหตุมากกว่าผลก็ออกมามากกว่าซึ่งเป็นเรื่องของเขาอ่ะ เป็นเรื่องของเขาซึ่งเขาได้สร้างสมสร้างได้ได้ได้อบรมมาเองท่านโกนธัญญในชั้นแรกก็เป๋ไปพอสมควรนะครับแต่ว่าเรื่องของบารมีก็คือเรื่องของบารมีมันอะไรมาปิดเอาไว้นะแต่ถึงข่าวมันเบ่งบานออกมามันออกมาจนได้เหมือนกับเพราะโจนงกุลิมานแหละไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่า ง, งนั้นก็เป๋ไปแยะแต่ผลน้ท่านก็กลับกันท่านได เพราะว่ามีคนมาเพิ่มแรง่วงด้านบารมีขึ้นคือเพิ่มเชื้อบารมีพึ่นกระตุกบารมีขึ้นมาบารมีมันก็มีอยู่แล้วแต่มันก็ถูกกลบไว้ด้วยเงื่อนไขต่างๆปัจจัยต่างๆสิ่งแวดล้อมอยูแ่แล้วก็หักเขไปในมุมนั้นๆได้จากพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงคือในธรรมจั ก, ก ร, รวัตนาสูตรซึ่งแสดงโดยสรุปแล้วนะฮะจะพบ ว, ว่าก็ เป็นการเน้นให้เห็นทั้งว่าทางสองทางที่นิยมเชื่อถือกันในสมัยนั้นน่ะเป็นทางควรหลีกเลี่ยงทั้งหมดเลยสมัครบัพปิชิตสมัครบัพปิชิตนะฮะเพราะงั้นการเวลาเราพูดถึงมิปัสชนาอะไรต่อะไรก็เหมือนกันคือต้องนึกว่านี่คือความจริงอีกชั้นหนึ่งไม่ใช่ความจริงแบบบ้านๆความจริงแบบครอบครัวก็เป็นความจริงอีกชั้นหนึ่งซึ่งจะต้องประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ฐานะความจริงชั้นปรมัาจึ่งอยู่ที่ใจของเราเนี่ย ไม่ได้เกี่ยวยาต้องแสดงออกข้างนอกหรือไ ม, ม่ก็อยู่ที่ใจของเราเป็นความรู้สึกต่อสิ่งต่างๆอารมณ์ต่างๆภายนอกโลกภายนอกตามความเป็นจริงเท่านั้นเองแล้วก็ทรงแสดงหลักขอมัชฌิมาปฏิปทาหลักของอริยสัจสีแล้วก็การสัจสรูอริยสัจสีว่าสัจสรู้อย่างไรที่เรียกว่าสัจสรูแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นจากการสัจสรูนี่ก็มีมาแล้วในพระสูตรในรัตนากนาสูตรก็ทรงแสดง ในเรื่องของไตรลักษณ์โดยสรุปนะฮะแต่เริ่มที่อนัตตาซึ่งตามปกติจะไม่เริ่มที่อนัตตาจะเริ่มที่ น, นิจจังส่วมากแต่ว่าท่านเหล่านี้ท่านเป็นระดับพระโสดาบันแล้วเลยเริ่มที่อนัตตาไปเลยแต่ก็โยงข่า่นิจจังทุกครั้งนะในที่สุดท่านก็บรรลุมรรคผลไปเพราะงั้นเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากบารมีธรรมของท่าน เป็นความดีความงามของท่านที่ท่านเก็บท่านาสะสมท่านอบรมกันมาในพบในชาตินั้นเพราะถึงจุดหนึ่งพก็ได้บรรลูกมากคนแล้วถ้าเราดูพระสาวบกให้ตลอดนะฮะเราจะเห็นว่าท่านเหล่านี้โลกนีมันคล้ายๆกับว่ามันมีคนอยู่ชุดหนึ่งที่เริ่มสร้างความดีในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน แล้วก็ถึงชุดนั้นน่ยคนเหล่านี้ก็แวกว่ายในสังสารวัตรก็มาเรื่อยผ่านภพชาติมาเรื่อยมาถึงก็พบพระพุทธเจ้าทีหนึ่งแล้วก็รื้อขนจากสังสารวัตรในชุดหนึ่งหมดชุดหมดชุดก็คนก็เริ่มสร้างบารมีกันต่อกันไปใหม่แล้วก็ต่อมาก็มีพระพุทธเจ้ามารื้อขนขึ้นจากสังสารวัตรอีกชีนหนึ่ง ม, มีลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะถ้าเราไปดูให้ดีเพราะท่านเริ่มสร้างบารมีในกล้กันหมดเลยทุกองค์เลยใกล้กันหมดสร้างบารมีใกล้ๆ ก, ก, กันระดับภาษาพวกทั่วไปก็แสนครับ ระดับระหมาสาวกก็แสนอสงแสนกับสี่อสงขขยกับพระพุทธเจ้าก็สี่อสงขขยกับแสนกับก็ห่างกันแยะนะฮะทีนี้ทำไมพระพุทธเจ้าจึงนำเรื่องเหล่านี้มาแสดงคือมันมีปัญหานะฮะ <c oughs> มีปัญหาตอนตั้งพระสาวกตั้งตำแหน่งเอตัคคะเนี่ย พระอัญญากลทัญญะนั้นว่าที่จริงท่านก็บวชก่อนพระสารีบุตรไม่น้อยกว่าทหายพันเก้รูปคือพันเก้าสิบอันดับแต่ว่าทําไมเวลายกย่องพระสารีบุตรเวลายกย่องอักสาวกคือยอดแห่งสาวกไปยกย่องพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะก็มีเสียงพระที่เป็นบุถุชนก็กระซิบกระราบกันพอสมควร พระพุทธเจ้าบอกว่ารับสั่งว่าเป็นเรื่องที่เขาต้องการและเขาได้ตามที่เขาต้องการของเขาทุกคนแล้วก็ย้อนให้ดูเรื่องทั้งสองเรื่องนี้ให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าผลที่เกิดขึ้นจากรัตัญูบุคคลนั้นก็เป็นผลที่อัญญาคุณตัญญาก็ากาตั้งความปรารถนาเอาไว้แอ้ผลที่จะเป็นประสาวกรูปแรกก็เกิดขึ้นจากบา ร, รมีธรรมที่เขาตั้งความปรารถนาเอาไว้แล้วเขาก็ทําเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านี้มาตลอด และในที่สุดท่านก็ได้ตามความปรารถนาทั้งสองประการไม่ใช่เป็นเรื่องของมุกโขโรล ก, ก น, นะแต่ว่าต่างองค์ต่างสร้างบา ร, รมีมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะพระภาษาดิบุรุษโมคลานะเองก็เหมือนกันนะฮะท่านก็สร้างบา ร, รมีมาเพื่อการนี้เพื่อความเป็นอักสาวกฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งและท่านก็ได้เป็ี่นเขาท่านซึ่งเป็นลีลาชีวิตที่น่าศึกษาคือประวัติของราษาวกทั้งหลายเนี่ยเป็นลีลาชีวิตที่น่าศึกษามากและโดยเฉพาะใน หมู่พวกนักปรานักศึกษาทางยุโรปอาจารย์สิริพุทธสุขได้เคยแปลขึ้นมารู้สึกแปดท่านนะ่ะครันั้นแปลแล้วก็แปลออกมาเป็นภาษาอังกฤษอะพิมพ์เผยแพร่กันฝรั่งก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าแนวนี้เราไม่ค่อยออกมาเผยแพร่กันเรื่องมันยาวเกินไปนะฮะเรื่องยาวเกินไปแล้วก็ส่วนมากก็มักจะพูดในด้านของธรรมะ แต่เมื่อเรามานำมาเผยแพร่เราจะเห็นเรื่องกฎของเหตุผลที่สืบเนื่องมาในสังสารวัตรได้เป็นอย่างดีว่าไอ้ผลทั้งหลายนั้นเกิดมาจากเหตุทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือด้านไม่ดีก็ตามการที่มีโอกาสพบพระพุทธเจ้ามีโอกาสฟังธรรมสามารถบรรลุโสดาสกิตาคานาคาอรหัตอะไรต่อไรเนี่ยเป็นเรื่องของอดีตทั้งหมดที่มาสนับสนุนแต่ว่าการสนับสนุนนั้นจะมีอยู่สองแนวนะครับ โดยเฉพาะคือท่านที่จะเป็นพระอาหารหันต์เนี่ยมีอยู่สองแนวแนวหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นจำพวกชี้เชี่ยงแท้แน่นอนปัดฉิมพระวิกษัตรนะฮก็เรียกปัดฉิมภรวิกษัตรคือสัตว์ที่จะเกิดในภพอีกชาติสุดท้ายบาลีตานใช้คำว่าปัดฉิมพระวิกษัตรพวกนี้เกิดมาชาติสุดท้ายแต่ตามที่ศึกษา ค, คือเราต้องดูให้หมดเลยนะ ร้วหหมดเราจะเห็นว่าเป็นสองแนวท่านไม่บอกไวล้ล่ะแต่จากการสังเกตเนี่ยพบสองแนวด้วยกันแนวหนึ่งนั้นบา ร, รมียังไม่เต็มหรอกบา ร, รมียังไม่เต็มคือต้องเพิ่มเข้าใหม่ในชาติปัจจุบันโดยการฝึกปริวด้วยการอบรมยกตัวอย่างพระชนนะที่โดยเสด็จพระพุทธเจ้าออกผนวด่เพิ่งบรรลุนู่นหลวงพุทเจ้านิพพานไปแล้วเดี๋ยวเวลาไปตั้งอีกตั้งนานเออพระอนนท์เองก็เหมือนกันมีลักษณะอย่างนั้น ตรงนี้เป็นปฏิชิมพระวิกสรสัตย์เหมือนกันแต่คล้ายๆกับว่ามีอยู่ค่อนมาแล้วเราต้องเพิ่มความดีขึ้นในชาติปัจจุบนันเพิ่มให้ทันนะก็ไปได้อีกพวกหนึ่งพวกนี้ถ้าไม่เพิ่มฮะพวกนี้ถ้าไม่เพิ่มแล้วเสื่อมพวดลงไปหายไปเลยเหมือนกันเสื่อมหายไปเลยบารมีคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับไอ้ต้นทุนหรือมรดกที่เรารับเรารับจากบรรพบุรุษ แต่คนบางพวกที่ได้มากเกินไปถึงแม้จะได้มากจริงๆนะฮะแม้จะไม่ประกอบกิจการงานอะไรนะนอนกินดอกเบี้ยก็อยู่ได้แต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งนั้นจะต้องทำการงานเพิ่มขึ้นหรือพ่อปูนทรัพย์สมบัติให้สูงขึ้นบารมีก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าไม่มีการกระทำเพิ่มเติมจะเสื่อมซึ่งพระเจ้าก็ยกตัวอย่างถึงเศรษฐีบุตรสองสามีปัญญามีทรัพย์สมบัติถึงเท่าไรร้ยกโกร แต่ก็ไม่ได้ทําความดีอะไรเพิ่มมีแต่ทําความชั่วก็เหมือนไก่น้ําในสระมันมันใสสะอาดอยู่แยะนะฮะแทนแต่ที่เราจะเอาน้ําสะอาดใส่เข้าไปแล้วน้ําขุนใส่เข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันสลายหมดเลยก็ทํากลายเ ป, ป็นน้าขุนไปบารมีนั้นเป็นความสะอาดแต่เมื่อเราทําสิ่งสกรปรกเข้าไปเรืๆไอ้ความตกต่ํามันก็เกิดขึ้นไม่ต้องดูอะไรหรอกฮะดูว่าจิตใจของคนเราที่มันเปลี่ยนแปลง ไ, ไปบางยุคบางสมัย บางทีนี่ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเข้าวัดฟังธรรมำจำศีลเจริญภาวนาไปหายไปพอมีครอบมีครัวเอาไปอีกอย่างแล้วเมาเหล้ายำเปหายไปเลย ก, ก็แสดงว่าความดีมันก็ลดลงไปจิตใจความคิดความอ่านการมองโลกอะไรต่อยไรซึ่งเคยคมคายเคยข้าวหลักข้าวเกณฑ์มันก็เปลี่ยนแปลงไปเราก็ดูกันได้ในช่วงสั้นๆของชีวิตปัจจุบั น, นว่าปัจจัยต่างๆในปัจจุบันนีมีส่วนสนับสนุนด้วยก็มีส่วนทาลายด้วย ก็ขึ้นอยู่กับว่าเรารู้เห็นปัจจัยเหล่านั้นในแง่ใดในมุมใดถ้าไ่ใช้ปัญญากำหนดพินิจพิจารณามันก็เสริมแต่ถ้าไม่ได้ใช้ปัญญา ง, งมงายง้อเขาไปมันก็ทำลายจึง่งบางครั้งบางคราวไม่น่าเชื่อหรอกว่าคนที่ปฏิบัติศึกษามาเป็นเวลานานนะฮะแล้วก็ก็แก่ๆข้าวแทนที่จะดีขึ้นนะฮะกลับแย่ลงเพราะอะไรเพราะว่า ท่านไปรับเชื้อในทางไม่ดีเข้ามามันก็ปิดบังบา ร, รมีของท่านเอาไว้ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างพระชนะที่จริงก็เคยยกมาแล้วมันยกพระชนะอย่างงี้บา ร, รมีของท่านแย่ท่านเอามาหน้าปิดไว้ตัวเดียวแต่นั่นองเงบา ร, รมีก็โผล่ขึ้นมาไม่ได้สักชีนเนพราะท่านเอามาิกมานะทิ้งวันไหนท่านก็บรรลุอรหัตวันนั้นนี่ก็คือพวกกลุ่มกลุ่มที่เรียกว่าต้องเสริมขึ้นถ้าไม่เสริมขึ้นแล้วก็เสริมอีกกลุ่มหนึ่งนั้นไปเลย กลุ่มนี้มีลักษณะที่อุปมาสมัยนั้นนะฮะเหมือนผีกรัดน้องเหมือนผีที่กรัดหนองนะฮะจอนิดเดียวก็บรรลุแล้วอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเนี่พระยศะพระยัศะหรือประยชน์ที่เราอ่านกันเป็นประยชศะวันดีคืนดีท่านมองสนมกันนันนายของท่านเป็นศพไปหมดเลยนี่บารมีเต็มฮะพอพระพุทธเจ้าไ ป, ปเทศนิดเดียวบรรลุแล้วบรรลุอรหัตเนะี่ยแล้วมีอีกคนหนึ่งซึ่งคนนี้ออกจะแปลก เนี่ยจแปลกคือท่านสีห์เสนาบดีที่เคยเล่าให้ฟังว่าเป็นสาวกของนิครณ น, นะฮะสาวกของนิครณ น, นีมาถามปัญหาเรื่องการให้ทานกับพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็มีปัญหาที่เกี่ยวกับเขาไปโจมตีว่าท่านสีห์เสนาบดีฆ่าศาสตว์เลี้ยงพระพุทธเจนะ้าเนี่ยท่านผู้นี้นกําลังเมาเล่ากับแท้แทนะฮะเมาเล่ากําลังสนุกสนานอยู่แล้วพอดีไอ หญิงที่เป็นนักรําไรรําของท่านเน่ยเกิดตายลงไปแล้วถ้าก็โศกมากพระพุทธเจ้าเสด็จไปเสด็จไปก็บรรเทาความโศกของท่านได้แล้วก็เสด็จอยู่บนพื้นดินนะฮะประเทศคนโน้นอยู่บนหลังช้างแนะนําให้ฟังท่านพิจารณาตามไปแล้วก็บรรลุอรหัตบนนั้นแล้วก็ตายตรงนั้นบนหลังช้างอาจารย์ ไ, ได้ลงมาหรอกคือนิพพานอายุก็หมดพอดีบรรลุพอดีอายุก็หมดพอดี ไม่ทันได้บวชแต่ก็ถือว่าเป็นพระนะฮะถือว่าเป็นเป็นภิกษุบริษัทคล้ายๆกับพระพายะทรุจิรญาที่เคยเล่าให้ฟังที่ถูกโควิดตายองค์นี้ที่จริงยังไม่ได้บวชเหมือนกันแต่ว่าจัดข้าในกลุ่มภิกษุบริษัทเว mm hmm. ลาจัดไม่ได้จัดข้าในอุบาสกบริษัทเพราะเป็นพระอระหรันต์ประการต่อไปก็คือเรื่องที่พระโกนทัญญาท่าน ไปนําเอาลูกของน้องสาวนะฮะลูกของน้องสาวมาให้บวชเนี่ยมันก็เหมือนตัวอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าพระอรหันต์ทั้งหลายพอท่านปัญญาท่านเกิดเต็มที่มันทาลายกิเลสพอทาลายกิเลสไอสิ่งที่ผุดขึ้นต่อจากนั้นคือการุณาอย่าลืมนะฮะปัญญาบริสุทธิ์การุณาพระคุณของพุทธเจ้ามีสามอย่างพระอรหันต์ท่าก็เหมือนกันปัญญาเกิดขึ้นก่อน ปัญญาในส่วนเหตุคือเกิดขึ้นแล้วก็ทำลายกิเลสึี่เป็นความมืดบอดแล้วผลที่ปรากฏออกมาคือใจนั้นจะเป็นการุณาการุณามองสัตว์ทั้งหลายนีอยู่ในขลววของความทุกข์คล้ายๆก็อยู่ในแวกว่ายอยู่ในทะเลต้องการที่จะช่วยอย่างเดียวทีนี้เนื่องจากการส่งพระธรรมทูตสมัยนั้นหกสิบรูปให้ไปคนละทิศมันก็ไปยากเหมือนกันว่าจริงๆก็แยกย้ายกันไปคนละทิศละองค์อะ ก็ต่างคนต่างก็ไปพระคนทัญญานั้นท่านก็ไปโปรดหลานชายของท่านแล้วท่านก็ได้หลานชายคนนี้มาก็ถือว่ามาทำงานแทนลวงลงุลงอ่ะเพราะหลงุลงลุงก็แก่่านเองก็เข้าไปอยู่ป่าการอยู่ป่าของพระอาหารหันต์เนี่ยแล้วท่านอยู่สองอย่างโดวยวัตถุประสงค์สองอย่าง อย่างแรกนั้นก็เรียกว่าทิฏฐธรรมสุขคือต้องการให้เป็นสุขในปัจจุบันประการที่สองนั้นเป็นการ เ, าเรียกว่าสร้างเนตเตีย่ยสร้างตัวอย่างให้คนที่มาอยู่รุ่นหลังเกิดความนิยมยินดีในการที่จะอยู่ในการที่จะหาความส ง, งบหาความวิเวกด้วยวิธีการอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าการปฏิบัต ทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในชั้นของสมาธินี้เสียงนี่เป็นค่าศึกตรงเลยฮะเสียงเป็นค่าศึกตรงต่อสมถะกรรมฐานเพราะงั้นถ้าหากว่าเราไม่อยู่ในที่ซึ่งมีลักษณะวิเวกแล้วเนี่ยยังไงมันก็ออกไปรับจนได้นอกจากว่าเสียงนั้นเป็นเสียงเรื่องยนต์นกลไกนะฮะเสียงที่เราไม่รู้แล้วใจจะมานสิการอยู่หน่อยหนึ่งแล้วจะจะเคลิกได้คือจะตัดได้ แต่ถ้าเสียงที่รู้ฟังรู้เรื่องแล้วก็สวดมากก็ตัดยากดังนั้นท่านก็ออกไปอยู่ป่าสำหรับพระอาหารหันต์ก็เพื่อจะสร้างตัวอย่างสร้างตัวอย่างให้อนุชนรุ่นหลังได้ถือเป็นแบบแผนในการประพฤติปฏิบัติว่าจะต้องพยายามหาความสงบในด้านของกายวิเวกถึงที่จริงในปัจจุบันนี้ก็มีอะไรช่วยเหลือไว้เยะแล้วการจะหาสถ า, านที่วิเวกหาความสงบเนี่ย แ, แม้ในห้องอย่างนี้เราก็หาได้ เพราะว่าสามารถที่จะตัดเสียงได้ทีนี้จากบา ร, รมีเหล่านี้ท่านตั้งหลักก็จะมองเห็นบุคคลเราแต่ละคนในโลกปัจจุบันหรือในชีวิตปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะดูในลูกหลานของเราก็ได้หรืออยู่คนใกล้ชิดก็ได้เพราะแต่ละคนนั้นมีบา ร, รมีมาไม่เหมือนกันมีลักษณะในการเสริมสร้างจริตอัตยาศัยโดยเฉพาะคือแนวโน้มที่จะน้อมไปหาอะไร คือบางคนแกไม่ไปจริงๆเลถ้าดึงไปทางตา่ำอะไรแกไม่ไปแต่บางคนเนี่ยดึงขึ้นสูงก็ไม่มาเหมือนกันเรียกว่าลากไม้เอาปลายไปกันเลยทีเดียวแต่ว่าคนมันก็มีจุดอะไรของเขาอยู่คือมีทางอะไรของเขาอยู่เราหาทางให้เขาไม่เจอแต่นั้นเองลองดูอย่างพระเนนบางองค์ในวัดเนี่ยฮะแต่ตอนแกเป็นเนรเน่ยแกไม่เอาไหนเลย บางทีก็บ่นกับโอ้ยมันเรนิมอาสวะมันเรื่องห ม, ม, มักหมมรําคาญโรควัดแล้วก็พอเอาก็จริงแล้วเวลาแกศึกไปแกหาทางแกได้แกไปแกได้ไปในด้านอื่นแสดงว่าบา ร, รมีในด้านนี้ไม่มีแต่มันก็มีบา ร, รมีในด้านอื่นซึ่งก็สร้างกันมาคนละทางเก็บสะสมอบรมกันมาคนละทางคนเราก็พร้อมที่จะดีในเส้นทางของตัวเองได้แล้วขึ้นอยู่กับว่าเราเราสร้างอะไรมามากน้อยแค่ไหนเพียงไร นี่ก็เป็นหลักที่ที่น่าศึกษาเอาไว้ว่าไอาการที่เราคนในปัจจุบันเป็นจํานวนมากที่มองคล้ายๆกับว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราเอาประวัติพระสาวกมาเรียงเนี่ยเราจะเอาเฉพาะชาติปัจจุบันกันท่านมาพูดแล้วก็เรียงนิดเดียวตันเองะฮะเรียงเพื่อให้รู้นิดหน่อยลูกเต้าเหล่าใคร เรียนจบอะไรมามีฐานะเดิมเป็นยังไงแล้วทําไมจึงออกบวชบวชแล้วทํำยังไงบรรลุลบรรลุมรรคผลแล้วท่านทําอะไรบ้างเป็นต้นเนี่ยอีตอนฟังธรรมเทศนาแล้วบรรลุส่วนมากคนจะไม่ค่อยเชื่อกันอเอ๊ะบรรลุง่ายเหลือเกินทําไมเราสมัยนี้จึงไม่บรรลุคือเราไม่ได้นึกในแง่ของบารมีนั่นประการหนึ่งแล้วไม่ได้มองในแง่ของปัจจุบันนี้ประการหนึ่ง ถ้าเรามองเห็นแง่ของปัจจุบันแล้วเราเจอพบว่าปัจจุบันในสมัยพระพุทธเจ้านะฮะคือปัจจุบันเขาเรียกพุทธการนะฮะการของพระพุทธเจ้านี่ไอค่านิยมในสังคมมันไม่เหมือนสมัยนี้เขาจะพูดกันในด้านของธรรมะสนทนากันในด้านของธรรมะถกเฉียงปรัชญาใดๆอย่างที่เขาเล่าเรื่องชาวกาลามะที่เคยเล่าฟังมันมีสันท า, าร์คานถมฝังธรรมะเลยใครมาก็แวะพักชาวบ้านก็แชร์กันมาฟัง ฟังแล้วก็มีการถกเถียงกันมีการหาเหตุผลกันมันคิดกันในในเรื่องเหล่านี้เท่านั้นเองมันถึงจุดที่เรียกว่าเป็นความสมบูรณ์นะฮะถ้าเรามองลักษณะของสังคมอินเดียในยุคยุคพระพุทธกาลรยุคพุทธกาลนะฮะเพราะคนมันเปลี่ยนไปแยะแล้ว ม, มันมามุ่งไปที่โมกษะแล้วพัฒนาการทางความคิดของคนมาอยู่ที่โมกษะคือความหลุดพ้นจากทุกข์มุ่งไปหาความหลุดพ้นจนถึงกับแบ่ง เขาเรียกอาสมของชีวิตนะครับแบ่งเป็น4อาสมด้วยกันขั้งแรกก็เรียกว่าพรหมจารีคือศึกษาและเรียนชั้นที่สองก็เรียกฤหัตคือครอบครองเรือนต้องตั้งตัวเป็นหลักปัญฐานนะฮะต้องมีลูกต้องมีลูกเสียก่อนเพราะไม่งั้นกลัวตกนรกคนสบายคนอินเดียนี่กลัวตกนรกมากก็าเมีนรกอยู่ขู่ไม่เชื่อปุตตะไอ้คนไม่มีลูกเราจะตกนรกเออก็ ต่อจากนั้นเขาจะเป็นสานญาสีคือที่อาจาริ์ไม่ใช่เป็นวณาประรัฐก่อนไปหาความสงบวิเวกอยู่ในป่าไปสนทนากับนักบวชไปดูการประพฤติธปฏิบัติไปไหว้บุญยานทีไปอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่ความเชื่อถือเขาแต่หมายความม่มุ่งความสงบความสะอาดนะเป็นการพัฒนาจิตใจและพัฒนาชีวิตเศรษฐกิจของตัวเองก็มีครอบมีครัวเป็นหลักเป็นฐานแล้วต่อไปก็เริ่มถึงการที่จิตใจ พอใครที่มีไปได้ดีแล้วท่านก็ออกบวชเพราะในฐานะของการบวชจึงไม่ใช่คนธรรมดาเป็นบวชเป็นคนฐานะดีๆนะฮะเป็นเจ้าฟ้าเจ้ า, าแผ่นดินเป็นเศรษฐีเป็นอะไรแต่ไรพวกพระปจเจคพุทธเจ้าในยุคก่อนๆ ก, ก็มีลักษณะอย่างนั้นคือผ่านความสุขชั้นโลกิยะมาจนมองเห็นเป็นความจำเจซ้ำซากแล้วก็แนวคิดออกมาเป็นรูปของธรรมะ ก็ได้ยินในความไอสิงแวดล้อมมันก็ตุ้นบา ร, รมีอยู่เรื่อยกระตุ้นบา ร, รมีอยู่ตลอดก็เป็นกลายเป็นความนิยมหรือเป็นค่านิยมขึ้นในสังคมแล้วก็มีการยกย่องคนที่สามารถศึกษารอบรู้ประพฤติปฏิบัติแตกฉานอย่างพวกพราหมณ์ก็นิยมพวกแตกฉานในไตรเพศกันบางที่เด็กๆอย่างวัยผมจุกอยู่เลยมีประสูนยตั้งหลายประสูตรในมันชยิดมัลิกายเด็กๆอย่างวัยผมจุก คือคือเรียกว่าถ้าวายผมจุกอายุต้องต่ํากว่า16ปีแต่ก็ไม่บอกนะฮะพราขนาดไหนเพราะจะวาผมจุกไปจนถึงอายุ16ปีเด็กเหล่านี้ได้รับฐานะตําแหน่งยุกย่องมีพรามเท่าเป็นเป็นลูกน้องเดินตามหลังเลยแหละฮะคือแสดงว่าเก่งเป็นนักปรารถ น, นาได้รับฐานะสูงมันก็มีการกระตือรือร้ น, นะฮะคนเรามันมันมันก็มีความอยาก ได้ฐานะอยู่แล้วเมื่ออะไรที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้ฐานะคนก็วิ่งไปในทางนั้นแนวการดำเนินชีวิตของคนก็พุ่งตรงไปในทางนี้จนจนอย่างที่เคยเล่าฟังว่าขนาดว่าตั้งกองสืบข่าวว่ามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกแล้วหรื อ, อยังตั้งกองสืบข่าวกันเลยยุ่สมัยนี้เ้าไม่ได้คิดกันหลักฮนะอย่างงั้น อ, อย่างดีก็อาจารย์ที่วัดไหนบาบหัวดีไปหากันหน่อยแต่นั่นเอง เก่ความคิดลึกซึ้งขนาดนั้นเนี่ยเราไม่ใช่ไม่มีในสมัยนี้แต่เอาจริงๆก็มีน้อยนะครับมีน้อยแล้วก็ยังมองปัญหาในรูปที่มีปัญหาเพราะอะไรเพราะว่าเราจะมองไปในรูปที่ว่าอาจารย์นั้นมีลักษณะขลังศักดิ์สิทธิ์สามารถที่จะช่วยดึงกิเลสออกจากจิตเราได้อะไรต่างๆนั้นนะมันมองในเชิงรูปธรรมมองในเชิงรูปธรรมไปแทนที่จะเป็นเรื่องของนานมธรรม คือใกล้ๆจะหาอาจารย์องค์นี้แล้วบอกว่าโอ้ยสายดับสายบาบานี่มีบา ร, รมีแผ่มาถึงเราแทนที่จะแผ่ให้ตัวเองอใจให้มันเย็นๆมีเมตตากรุณาเรานั่งแผ่เ อ, เองได้ไม่ต้องขึ้นเครื่องบินไปอินเดียหรอกแต่เราต้องนึกว่าต้องอาศัยคนอื่นสร้างความสงมบเย็นให้แก่จิตใจของเราซึ่งไม่ใช่วิธีการที่สมเหตุสมผลนะสมมุติว่าสายบาบาแกช่วยได้จริงก็เวลานั่งใกล้ๆแกก็ได้บา ร, รมีแกพอออกมามัมกอร้อนมันเหมือนกันเนี่ยเหมือนกับอาคารนนั สถานที่ต่างๆท่านั้นเองเหมือนข้าไปอาศัยในอาคารต่างๆท่านั้ น, นไม่ใช่วิธีการของพระพุทธศาสนาไอ้ความสับสนเหล่านี้จนถึงกับไอ้ความไม่เชื่อความไม่ยอมรับนับถือาศาสนาของตัวเองซึ่งเกิดขึ้นสูงในปัจจุบันนี่ยหรือไปนิยมปรัชญาลองดูในวงวิชาการในนี้ชอบพูดอะไรให้เป็นปรัชญาเอาพระพุทธศาสนาประโยชน์แหมก็เป็นปรัชญาด้วยพุทธศาสนาไม่ใช่ปรัชญาหรอกแต่คนเราก็คือคําว่าปรัชญา ก็พยายามจะให้เป็นปรัชญากันหมดเมืม่อวานซื้นึงก็มีอะไรข้าราชการก็มาขอให้เขียนเรื่องพุทธปรัชญาในเกี่ยวกับด้านจริยธรรมอะไรมาบอกมาไม่ชอ บ, บคําว่าปรัชญาเนี่ยเพราะอะไรเพราะเมืองไทยในเซนต์ของไทยเนี่ยปรัชญาก็คือฟิโลโซฟีแต่ว่าของพุทธเราท่าปรัชญาก็คือปัญญาที่จริงปรัชญากับปัญญาเป็นคําเดียวกันนะฮะปรัชญาเป็นภาษาสันสกฤต แล้วก็ปัญญาก็เป็นภาษาบาลีถ้าเราว่าปรัญญาคือปัญญาแล้วก็เอาแต่ถ้าปัญญาคือวีโรโซฟีเราไม่ได้เรื่องอะเป็นความคิดฝันของนักคิดทั้งหลายเนี่ยบางคนไม่เอาเอาเอาแหลมอะไรเลยาคากมากเนี่ยนักปัญญาใหญ่เนี่ยบีงเกลียดเราไม่ประสบความสําเร็จอะไรเลยมานั่งคิดเพริรเจอร์ไปหาเรื่อยคิดไปเรื่อยๆมันไม่ได้ทดสอบอะไรซึ่งปิกศาสนาศาสนานั้น เป็นทางที่ท่านเดินมาแล้วท่านเห็นมาแล้วท่านสัมผัสมาแล้วท่านกินมาแล้วก็แล้วกันแล้วก็ท่านบอกให้เรากินบอกเครื่องปรุงเครื่องปฏิบัติให้เราถึงแ่ามบางคนบางคนละเรื่องคนระดับความสนใจแทนที่เราจะเอาขุมทรัพย์ของเราเองที่บรรลุรักษามาเราก็ไปคว้าของฝรั่งมาคือไปสนใจประจาแล้วก็สนใจประจาตะวันตกเส ด, ด้วยนี่คือคือคือยุคสมัยนั้นเราจะพบว่ามันเปลี่ยนแปลงไป แต่การที่จะให้ทราบซึ้งถึงธรรมะในศาสนามันไม่ได้เริ่มมาจา ก, จากแต่ต้นเนี่ยสิ่งแวดล้อมมันไม่ไม่ไม่หนุนช่วยแต่สมัยพระพุทธเจ้าสิ่งแวดล้อมมันช่วยเนี่นะช่วยอยู่ตลอดแล้วคนไปพบเห็นไปที่ไหนมันก็เจอแต่เรื่องเหล่านั้นก็ได้รับกันวันนันิดวันหน่อยมันก็เพาะเชื่อขึ้นมาแล้วก็เพิ่มเชื้อบวกเข้าไปก็ทําให้ท่านเหล่านั้นสามารถที่จะรู้ที่จะบรรลุมรผลเมื่อได้ฟังธรรมในพุทธสํานักได้แต่ตัวการสําคัญจริงๆอยู่ที่บารามี จึงสร้างสมมาในอดีตนะไม่ว่าของพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายก็ตามนี้ก็เป็นประวัติของพระมหาสาวกองค์แรกเป็นระดับที่เรียกว่าสังครัตนาองค์แรกในพระพุทธศาสนาว่าท่านมีความเป็นมาที่ย้อนหลังไปได้เป็นแสนกับเลยท่านสร้างมานานของท่านแล้วก็ผลนั้นก็เกิดตามสมควรแก่เหตุที่ท่านได้สร้างสมอบรมมานี้ก็คือหลักของเหตุผลว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องสัมพันธ์กับเหตุ ไม่ใช่ว่าเราต้องการผลโดยไม่ได้มองถึงเหตุจริงๆก็เป็นลักษณะอย่างหนึ่งนะฮะทำงานไม่ทํางานไม่รู้ขอให้ได้สองขั้นกันแล้วกันคือไม่ได้วิเคราะห์ที่เหตุแต่ว่าต้องการผลเท่านั้นนี้มีลักษณะอย่างนี้เราก็พบเห็นกันได้ในที่ทุกคนทุกแขงไม่ว่าในวงการราชการวงการพระวงการอะไรก็ตามไม่ได้เล็งที่เหตุแต่ว่าฝ่ายคว้าผลซึ่งเกินจากเหตุเสมอไปเพราะฉั้นในกิจการเสี่ยงโชคต่างๆจึงจเจริญรุ่งเรืองได้ในบ้านในเมืองเราเพราะรอะไรเพราะเหตุน้อยฮะผลมันมากก็มันยั่วใจ แล้วก็สนองกิเลสได้พอดีแล้วเพราะงั้นสนามม้านี่เลิกไม่ได้หรอสกสั้งทักษะกินแบ่งก็เลิกไม่ได้เพราะมันสนองกิเลสพอดีสมมตวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้